ชีวิตของพวกเรานี้คือชีวิตของมนุษย์นี้มีส่วนประกอบอยู่5ส่วนด้วยกันเรียกว่าขันห้าแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เห็นด้วยตาเรียกว่ารูปประขันส่วนที่ ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเรียกว่านามขันรู ป, ปรขันนี้มีหนึ่งส่วนคือร่างกายนามขันนี้มีอยู่สี่ส่วนเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือส่วนประกอบของชีวิตของมนุษย์และ ของสัตว์เดรัจฉานมีส่วนประกอบเหมือนกันมีขันห้าเหมือนกันมีรูปประขันมีเวทนาขันมีสัญญาขันมีสังขารขันมีวิญญาณขันถ้าเราได้ศึกษาความจริงของส่วนประกอบเหล่านี้ เราจะได้ปัญญาแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับส่วนประกอบทั้งห้าส่วนนี้เพราะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าส่วนประกอบทั้งห้าส่วนนี้ไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเลยแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราจะถูกความหลง หลอกให้เราคิดไปว่าเรามีอย er ู่ในขันห้ามีเราอยู่ในขันห้ามีตัวเราอยู่ในขันห้าคือมีตัวเราอยู่ในรูปคือร่างกายมีตัวเราอยู่ในความรู้สึกคือเวทนามีตัวเราอยู่ในความจำได้หมายรู้คือสัญญามีตัวเราอยู่ใน สังขารความคิดปรุงแต่งมีตัวเราอยู่ในวิญญาณผู้รับรูปรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณฑความจริงถ้าเราศึกษากันแยกแยะออกมาเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่มีตัวเราอยู่ในขันห้านี้เลยเช่นถ้าเรา ศึกษาดูรูปปะขันคือร่างกายเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่อาการสาสสองเท่านั้นเราลองแยกแยะดูอาการต่างๆในร่างกายดูเราค้นหาดูว่ามีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้หรือไม่เช่นผมมีเราอยู่ในผมหรือเปล่ามี ขนมีเราอยู่ในขนหรือเปล่าค้นหาทั้ง32อาการดูเราต้องศึกษาดูอาการ32แล้วก็แยกมันออกมาทีละอาการศึกษาว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้างก็มีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก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 นี่คืออาการสาิบสองอาการที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายเราแยกอาการเหล่านี้ออกมาแล้วไล่ไปทีละอาการดูว่าผมนี้มีเราอยู่ในผมหรือเปล่าเราเป็นผมหรือเปล่าผมเป็นเราหรือเปล่าขนเป็นเราหรือเปล่าเล็บเป็นเราหรือเปล่าเราเป็นเล็บหรือเปล่าไล่มันไปแต่ละอาการแยกกันออกไปศึกษาให เห็นอย่างถ่องแท้ว่าร่างกายนี้มีแต่เพียงมีแต่อาการสาสองเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหรือน้อยไปกว่านั้นถ้าเราศึกษาพิจารณาบ่อยๆอยู่เรื่อยๆความหลงที่หลอกให้เราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรานี้มันก็จะถูกกำจัดไป แล้วเราก็พิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดหรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปจนไม่มีวันสิ้นสุดหรืออย่างไรถ้าเราศึกษาดูเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเด็กทารกตอนที่คลอดออกมาจากร่างกาย ของแม่ออกมาจากท้องแม่แล้วเมื่อมันได้รับอาหารได้รับน้ําได้รับอากาศมันก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจนโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมันก็โตไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคนแก่คนชราแล้วก็เกิดมีการเจ็บไข้ได้ป่วย ตอนที่เกิดใหม่ๆก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยแต่พอมีความชราภาพมากขึ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เริ่มีมากขึ้นไปและรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ถึงขั้นที่รักษาไม่ได้ร่างกายนี้ก็หยุดทำงานไม่สามารถทำงานได้หมดสมรรถภาพ เหมือนกับรถยนต์ที่เราใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะเก่าลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเริ่มเสียต้องซ่อมต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรต่างๆไปจนในที่สุดก็อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปร่างกายก็เช่นเดียวกันท่านจึงเรียกว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง มันไม่เป็นเหมือนเดิมวันนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้ในวันพวกนี้พวกนี้มันก็จะแก่ลงไปอีกวันหนึง่งวันต่อไปมันก็จะแก่ลงไปอีกวันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแก่ลงไปเรื่อยๆหรือตอนที่เป็นเด็กมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆท่านจึงเรียกว่าอานิจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คงเส้นคงวา ไม่เหมือนเดิมสรุปแล้วก็คือรูปปัจขันคือร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังมันเป็นทุกข์เพราะอะไรมันเป็นทุกข์เพราะเราคือใจไปอยากให้มันเที่ยงนั่นเองไปอยากให้มันเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดแต่มันไม่อยู่กับเราไปตลอด มันสักวันหนึ่งมันก็จะต้องแยกทางจากเราไปแยกทางจากใจผู้รู้ไปถ้าใจผู้รู้ไม่รู้ความจริงอันนี้ก็จะเกิดความอยากให้ร่างกายนี้เที่ยงคืออยากจะให้ร่างกายนี้ดีสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพมีอายุยืนยาวนานไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตาย แต่ความอยากเหล่านี้และที่เป็นตัวที่จะทําให้ใจทุกข์เพราะเวลามันไม่ได้ดังใจอยากใจก็ต้องทุกข์ขึ้นมาถ้าได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายจนไม่หลงไม่ลืมใจก็จะไม่อยากไม่กล้าอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่กล้าอยากให้ร่างกายไม่เที่ยง ต้องยอมรับว่าร่างกายต้องไม่เที่ยงต้องยอมรับว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอใจยอมรับความจริงได้ความทุกข์ใจก็จะไม่มีเพราะความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจใจเห็นโทษของความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยหยุดความอยากนี้ ใจก็เลยไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือเรื่องของการศึกษารูปประขันเราต้องศึกษาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับรูปประขันเราต้องศึกษาเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกกับร่างกาย ไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะเราจะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายแล้วเราก็จะรู้ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังร่างกายนี้มันจะต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดานี่คือรูปประขันที่เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราส่วนประกอบอีส่วนนี้ เราเรียกว่านามขันเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานี้เองมันเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในใจของเราท่านเรียกว่าเป็นอาการของใจหรือถ้าแปลตามความหมายของสมัยนี้เราก็เรียกว่าเป็นลูกน้องของใจเป็นผู้รับใช้ผู้ทำหน้าที่ต่างๆให้กับใจ เป็นเลยขาเช่นสัญญาอ้าเช่นวิญญาณนี่ท่างเรียกว่าเป็นผู้รับรู้ไปรับรู้อะไรก็ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผด พ, พะที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลินกน้นไก่นี่เองเนี่ยวิญญาณนี้เป็นผู้ไปรับข้อมูลต่างๆที่ตาได้ไปรับมาหูไปได้รับมา จมูกลิ่นกายได้ไปรับมาเช่นพอเราลืมตาขึ้นเราก็จะเห็นภาพภาพนี้เราเรียกว่ารูปรูปนี้ก็จะส่งไปที่สัญญาส่งไปที่วิญญาณก่อนวิญญาณไปรับรู้ก่อนวิญญาณคือผู้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเป็นเจ้าหน้าที่คนแรกของใจเป็นเลขาคนแรกที่จะรับแคร คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพะที่มาเยี่ยมเยียนเมื่อรับมาแล้วก็พาไปหาสัญญาสัญญาก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้มีความจำได้หมายรู้สัญญาก็จะทำหน้าที่ดูว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรเคยเห็นรูปนี้มาก่อนหรือเปล่ามีประวัติอะไรตรวจประวัติดู สัญญาก็เป็นเหมือนผู้ที่สอบประวัติของคนไข้ที่มาหาหมอมาโรงพยาบาลเขาก็จะไปตรวจดูในในในประวัติว่าคนไข้คนนี้รูปร่างหน้าตายอย่างนี้มีชื่อเสียงอย่างนี้เคยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้หรือเปล่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรติดตัวอยู่หรือเปล่า นี่คือหน้าที่ของสัญญาค้นหาประวัติค้นหาประวัติของรูปพอตาได้เห็นรูปวิญญาณก็ส่งมาที่สัญญาสัญญาก็วิเคราะห์ดูว่ารูปนี้เป็นใครเป็นหญิงเป็นชายเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเป็นไทยหรือเป็นเป็นเป็นประโยชน์พอสัญญาได้รับข้อมูลได้ได้ ได้แยกแยะแล้วได้ค้นคว้าหาดูแล้วก็จะส่งข้อมูลนี้ไปให้กับเวทนาต่อไปเวทนาก็คือความรู้สึกถ้าสัญญาบอกว่าเป็นมิตรเป็นเพื่อนอส่งไปให้เวทนาเวทนาก็จะผลิตความสุขขึ้นมาสุขเขาเวทนาขึ้นมาเวลาได้เห็นเพื่อนได้เห็นญาติสนิทมิตรสหาย ก็เกิดความสุขใจเกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าสัญญาบอกว่าเป็นศัตรูเป็นผู้ที่จะมาทำร้ายเวทนาก็จะผลิตทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นมิตรหรือไม่ได้เป็นศัตรูเวทนาก็จะไม่ผลิตสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาขึ้นมาก็จะเป็นเวทนากลาง คือไม่สุขไม่ทุกขเวทนาแลพอเวทนานับข้อมูลมาจากสัญญาแล้วก็จะส่งเวทนาคือความสุ ข, ขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือความไม่สุขไม่ทุกขเวทนานี้ไปให้สังขารสังขารก็คือผู้คิดปรุงแต่งพอส่งข้อมูล คือส่งสุขเวทนาไปให้สังขารสังขารก็จะปรุงแต่งว่าเอ่อเอาสังเอาเวทนาเอาเรื่องนี้เก็บเอาไว้นานๆานเชิญเขาให้อยู่กับเราเป็นนานๆที่ ม, มีมีมิตรมาเยี่ยมเยียนเอากับข้าวกับปลาอาหารเอาเงินเอาทองมาให้ก็ต้อนรับเขาขอร้องให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆสังขารก็เกิดความอยากให้รูปที่ได้เห็นนี้ อยู่ไปนานๆพอเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาต่อไปพอเวลาที่รูปที่เห็นนี้เขาไม่อยู่เขาขอลาไปเพราะเขาต้องไปที่อื่นพอรูปนี้จากเราไปใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะสูญเสียสิ่งที่อยากได้อยากให้อยู่ไป นี่คือกระบวนการของของการทำงานของส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราเริ่มที่ร่างกายแล้วก็มาที่วิญญาณแล้วก็มาที่สัญญาความจำได้หมายรู้แล้วก็มาที่เวทนาแล้วก็มาที่สังขารสังขารก็จะคิดบุงแต่งไปถ้าดีก็อยากให้อยู่ไปนา น, าน ถ้าไม่ดีก็อยากจะให้หายไปเร็วๆพอเกิดความอยากก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเนี่นี่คือความทุกข์ที่พวกเราทุกคนสัมผัสกันก็เพราะว่าเรามีสัญญาที่ทำหน้าที่ไม่ถูกต้องคือไปหาไปได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ สัญญาได้รับข้อมูลมานี้สัญญาไปไปวิเคราะห์ผิดควรที่จะวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ส่งมาทางวิญญาณนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนี้มันเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาควรจะวิเคราะห์แบบนี้ไม่ควรไปวิเคราะห์ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็น เป็นญาติเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเพราะเมื่อไปวิเคราะห์อย่างนั้นมันก็จะทำให้เกิดเวทนาต่างๆขึ้นมาถ้าไปวิเคราะห์ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะไม่เกิดเวทนาต่างๆขึ้นมาเพราะมันจะรู้ว่ามันมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่มีความดีใจหรือเสียใจรู้ว่าสิ่งที่เห็น นี่เช่นรูปที่เห็นนี้มันไม่เที่ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถ้าอยากให้มันอยู่เวลามันไปก็จะทุกข์ถ้าอยากให้มันไปมันยังไม่ไปมันก็จะทุกข์อีกถ้ารู้เฉยๆว่ามันมาเวลามันมาห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันไปไม่ได้ห้ามให้มันอยู่ไม่ได้ มันจะอยู่มันก็จะอยู่ของมันมันจะไปมันก็ไปของมันถ้ารู้ถันว่ามันเป็นอนิจจังอนัตตามันก็จะไม่ส่งเวทนาสุขหรือทุกข์ไปให้กับสังขารสังขารเมื่อไม่มีสุขเสุขเขเวทนารู้ทุกข์เวทนาสังขารก็จะไม่องแต่งอยากให้สุขเขเวทนาอยู่หรืออยากจะให้ทุกขเขเวทนานี้หายไปน ดังนั้นในะบวนการของการวิเคราะห์ข้อมูลของของชีวิตหรือของใจนี้อยู่ที่ตัวสัญญานี้เองดูที่ตัวสัญญาที่ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆผิดเช่นเวลาเห็นร่างกายก็จะวิเคราะห์ว่าเป็นร่างกายของพ่อบางเป็นของแม่บ้างเป็นของพี่ของน้องบ้างเป็นของลูกของหลานบ้างเป็นของเพื่อนบางของญาติสนิทบาง ของมิตรบ้างของศัตรูบ้างพอไปวิเคราะห์อย่างนี้เข้ามันก็เลยจะเกิดเวทนาต่างๆตามมาแล้วพอเกิดเวทนาต่างๆมันก็จะเกิดสังขารความคิดปรุงแต่งไปในทางกาม m ตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพอเกิดความปรุงแต่งให้เกิดกาม m a ตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นมา ก็เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาภายในใจถ้าวิเคราะห์ว่ามันเป็นเพียงอาการสาสิบสองเป็นดินน้ำลมไฟ เ, เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีไม่ชั่วไม่เป็นมิตรไม่เป็นศัตรูถ้ามองอย่างนี้เวทนาก็จะไม่เกิด สุขเวทนาก็ไม่เกิดทุกขเวทนาก็ไม่เกิดสังขารก็จะไม่ปรุงแต่งไปในทางกามตันหาภวตันหาวิภาวะตันห า, ะะหาก็ก็จะสักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นรู้ว่าเป็นรู้ว่าเป็นรูปปัน้นรู้ว่าเป็นดินน้ำลมไพลรู้ว่าเป็นอาการสามสิบสองรู้ว่าเป็นสิ่งที่ ไม่น่าดูไม่สวยไม่งามทำให้ไม่เกิดทำจะทำให้ไม่เกิดกามราคะกามปัญหาขึ้นมานี่คือกระบวนการของการปฏิบัติธรรมที่เราปฏิบัติธรรมกันนี้ก็เพื่อมาแก้สัญญานี้เองแก้ความจำได้หมายรู้ที่ไปจำข้อมูลต่างๆผิดจากความเป็นจริง ไปจำสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปจำสิ่งที่ว่าไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราไปจำสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเรา <c oughs> ก็เลยทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมา <c oughs> ก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆตามมาถ้าเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนการทำงานของสัญญาได้สอนสัญญาใหม่ให้สัญญาวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษ ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาเห็นอะไรก็จะมีความรู้สึกเฉยเฉยจะไม่มีสุขเวทนาจะไม่มีทุกขเวทนาเมื่อไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาก็จะไม่มีตัญหาที่จะผลิตขึ้นด้วยสังขารความคิดปรุงแต่งหรือความคิดปรุงแต่งเป็นผู้สั่งให้เกิดตัญหาต่างๆ ขึ้นมาพอไม่มีตัณหาก็จะไม่มีความทุกข์นี่คือวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตาสาวกทั้งหลายท่านศึกษาขันห้าที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตจนเห็นชัดแจ้งว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วท่านเห็นว่าส่วนที่บกพร่องคือสัญญา ท่านก็ใช้ความจริงนี้มาแก้ด้วยการพิจารณาความจริงของร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาความจริงของรูปเวทของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่มีการผลิตสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาขึ้นมา เมื่อไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาก็จะไม่มีตัณหาต่างๆตามมาเมื่อไม่มีตัณหาต่างๆตามมาก็จะไม่มีความทุกขปรากฏขึ้นมาในใจนี่แหละคือการศึกษาส่วนประกอบองค์ประกอบของชีวิตให้ใจได้ทำทำหน้าที่ให้ถูกต้องให นามขันทั้งสี่นี้ทำหน้าที่ที่จะไม่ผลิตตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไม่ผลิตความทุกข์ต่างๆขึ้นมาภายในใจถ้าเรายังมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลึกพระว่าเป็นสุขนี่สแสดงว่าเราหลงแล้วเราต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเรายังเห็นว่ามันเที่ยงสแสดงว่าเราหลง ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นของเราเราก็ยังหลงเห็นบ้านเป็นของเราเห็นรถเป็นของเราเห็นเงินทองเป็นของเราเห็นสามีภรรยาเป็นของเราเห็นบุตรเห็นธีดาเป็นของเราไม่ว่าเห็นอะไรด้วยตาแล้วไปเห็นว่ามันเป็นของเรานี่แสดงว่าเห็นผิดแล้วเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักษเป็นดอกบัว ต้องมาแก้ความเห็นคือสัญญาความจำได้หมายรู้นี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยงเราจะทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเราไม่อยากให้มันจากเราไปเวลามันจากเราไปเราก็จะทุกข์นี่แหละคือกระบวนการของการปฏิบัติธรรมต่อขันห้า เราต้องศึกษาเรื่องของขันหานี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาทำหน้าที่อย่างไรแล้วเขาบกพร่องตรงไหนเราก็ไปแก้ส่วนที่บกบกพร่องเสียวิญญาณนี้ไม่มีส่วนบกพร่องร่างกายก็ไม่มีส่วนบกพร่องร่างกายเขาก็เป็นร่างกายเขาก็มีอาการสามสิบสองอยู่ของเขาเขาก็เกิดแก่เจ็บตายไป ของเขาเป็นปกติวิญญาณที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาก็รับรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะแล้วส่งมาให้สัญญาแต่ผู้ที่ทำหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาดก็คือสัญญานี้เองสัญญาไปมองเขาไปวิเคราะห์เขาผิดว่าเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธดาเป็นพ่อเป็นแม่ พอเป็นอะไรที่เป็นเราเป็นของเราขึ้นมาก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้เขาเที่ยงอยากจะให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากจะให้เขาเป็นของเราไปตลอดพอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าสัญญาวิเคราะห์ว่าเป็นเพียงอาการสามสิบสอง เป็นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่สวยงามมีส่วนที่ไม่สวยงามอยู่หลายด้านด้วยกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่น่าดูเวลาแก่ก็ไม่เดินน่าดูเวลาตายก็ไม่น่าดู เวลาตื่นขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาไม่ได้หวีผ้เขาวีผมก็ไม่น่าดูเวลาเข้าไปอยู่ในห้องน้ำก็ไม่น่าดูให้ดูในส่วนที่มันไม่น่าดูบ้างเพื่อที่จะได้ลบล้างส่วนที่มันน่าดูเพราะเวลาเห็นแต่ส่วนที่น่าดูมันจะทำให้เกิดตัณหาเกิดการมัดตัณหาขึ้นมาความอยากเสพกามขึ้นมา แล้วถ้ามันไม่ได้เสพมันก็จะทุกข์แล้วมันก็อาจจะไปทาบาปทำกรรมเช่นไปประพฤติผิดประเวณีอยากอยากจะร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้อื่นแต่ถ้าเห็นว่าเขาไม่สวยไม่งามมันก็จะลบล้างความอยากที่จะไปร่วมเสพประเวณีกับเขาได้นี่คือสิ่งที่เราต้องมาศึกษา มาสอนใจมาสอนสัญญามาแก้สัญญาใหม่ให้สัญญามองความจริงอย่าไปมองความหลงสัญญาถูกสอนมาผิดเกิดมาก็ถูกสอนว่าร่างกายนี้เป็นของเราว่าเป็นตัวเราทุกคนเกิดมาก็มีความคิดอย่างนี้ด้วยกันทุกคนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ไม่คิดเหมือนกับพวกเรา เพราะว่าท่านมีปัญญาท่านมีความฉลาดที่สามารถที่จะวิเคราะห์ให้เห็นตามความเป็นจริงได้เหมือนกับคนสมัยโบราณที่ทุกคนเกิดมานี้จะเห็นว่าโลกนี้แบนทั้งนั้นไม่มีใครว่าโลกนี้ขมกลมสักคนหนึ่งแต่วันดีคืนดีก็มีคนฉลาดมาวิเคราะห์ดูก็เห็นว่ามัน มันแบนไม่ได้มันไม่แบนมันกลมเช่นเขาก็วิเคราะห์ดูเวลาที่คนขีม่ม้าเวลาขี่ม้าข้ามเขามานี้เราจะเห็นอะไรก่อนเราจะเห็นคนขี่ก่อนที่จะเห็นมา้าใช่ไหมเพราะคนขี่มันอยู่สูงสูงกว่ามา้าถ้าเป็นพื้นราบนี่เราจะเห็นว่าเราต้องเห็นม้ากับคนพร้อมๆกัน ถ้าเป็นพื้นแบนพื้นเรียบเนี่ยจะเห็นเวลาคนขี่ม้ามาแต่ไกลจะเห็นจะเห็นพร้อมกันหมดเห็นทั้งมาเห็นทั้งคนขี่แต่ถ้าขี่ม้าขึ้นมาทางโค้งเช่นขึ้นเขาขึ้นมาอย่างี้มันจะเห็นคนที่เห็นคนขี่ก่อนที่เห็นตัวมา้าเหมือนกับเวลาที่เราไปที่ชายทะเลแล้วเราดูเรือที่วิ่งเข้ามาในฝั่ง เวลาเรืออยู่ใกลๆนี้พอมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นอะไรก่อนเราจะเห็นทั้งหมดเห็นตัวเรื อ, อรเลยหรือว่าเราจะเห็นเสารกระโดงก่อนเห็นธงก่อนเราต้องเห็นส่วนสูงก่อนก็เพราะว่าพื้นที่ที่เรือวิ่งมานี้มันไม่เรียบมันไม่แบนนั่นเองมันโคง้งคำว่าโค้งนี่ก็แสดงว่ามันกลมนั่นเองพื้นที่เราอยู่นี้นี่คือลักษณะของนักปราดของคนฉลาด ที่สามารถวิเคราะห์เห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้พระพุทธเจ้าของพวกเราก็เป็นคนฉลาดแต่ท่านไม่ได้ไปวิเคราะห์เรื่องโลกเรื่องแผ่นดินว่ากลมหรือแบนแต่ท่านมาวิเคราะห์ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราหรือไม่เป็นของเราหรือไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้หรือไม่นั่นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันทำมาจากอะไรแล้วมันกลับคืนสู่อะไรพระพุทธเจ้าก็เลยพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงอาการสามสิบสองที่ผลิตมาจากดินน้ำลมไฟดินก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปน้ำก็คือน้ำที่เราเดื่มเข้าไปลมก็คืออากาศที่เราหายใจเข้าไปไฟก็เกิดจากการผสมของดินน้ำลมนั่นเอง พอดินกับน้ํากับลมมาผสมกันมันก็ทําให้เกิดไฟคือความร้อนขึ้นมาในร่างกายแล้วก็ศึกษาดูว่าร่างกายนี้มันเที่ยงไม่เที่ยงมันอยู่แบบเดิมไปตลอดหรือว่ามันมีการพัฒนามีการเสือ่อมออลาข้อออกมาใหม่ๆก็เป็นทารกแล้วจะอยู่เป็นทารกอย่างนั้นไปตลอดหรือเปล่ามันก็ไม่เป็นมันก็มีการเจริญเติบโตมีการพัฒนา พอมันพัฒนาไปถึงขีดสูงสุดมันก็เริ่มการเกิดการเสื่อมไปพออายุกลางคนแล้วมันก็จะไม่พัฒนาต่อไปร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่แล้วก็จะเริ่มหดเหี่ยวลงไปเริ่มอ่อนลงไปอายุมากขึ้นไปมากขึ้นไปร่างกายก็จะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุด ร่างกายก็จะไม่สามารถทำงานได้ต่อไปร่างกายก็จะสลายตัวธาตุคือดินน้ําลมไฟที่อยู่ในร่างกายก็จะแยกกันออกมาร่างกายนี้ถ้าไม่เอาไปทำชาปนากิจปล่อยทิ้ไงไว้ในป่าชานี่ส่วนแรกที่จะออกไปก็คือลมกับไฟร่างกายนี้จะเย็นเฉียบเมื่อเปรียบเทียบกับร่างกายของคนที่มีชีวิตนี้ จะมีอุณหภูมิไม่เท่ากันไฟไปแล้วแสดงว่าไฟออกไปแล้วลมก็ระเหยออกมาเป็นกลิ่นไม่มีลมเข้ามีแต่ลมออกน้ำก็จะไหลออกมาน้ําเลือดน้าหนองอะไรต่างๆก็จะไหลออกมาแล้วร่างกายก็จะเหี่ยวย่นไปแห้งไปในที่สุดทิ้งไปในนานถ้าแห้งกรอบบุกจะลายกลายเป็นดินไป นี่คือธรรมชาติของร่างกายที่ไม่มีตัวไม่มีตนที่ไม่เที่ยงแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาเกิดมาก็จะหลงยึดติดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอเป็นของเราก็อยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันอยู่ไปนานๆอยากจะให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้มันไม่แก่ไม่ตายพอเกิดความอยากเหล่านี้ก็เลยทำให้อยู่อย่าง วุ่นวายใจชีวิตของเราทุกวันนี้ก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละไม่ได้วุ่นวายกับเรื่องอะไรกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกันทำมาหากินถ้บเป็นแทบตายก็เพื่อที่จะมาดูแลรักษาร่างกายนี้ไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายแต่ดูแลอย่างไรทำาะไรอย่างไรมันก็ห้ามมันไม่ได้อยู่ดีคนฉลาดจึงไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องของร่างกาย ดูแลมันไปตามอัตภาพให้มันกินข้าวให้มันมีน้ำดื่มให้มันมีที่พักผ่อนหลับนอนเวลาที่มันเหนื่อยก็พอเวลามันไม่สบายก็หาอยู่้ายามารักษาเหมันไปตามสภาพรักษาได้ก็ดีรักษาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วมันก็รักษาไม่ได้อยู่ดีในที่สุดมันก็ต้องตายไปแต่เราคิดเราพิจารณาความจริงของร่างกายอย่างนี้ รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราจะไปวุ่นวายไปกับมันทำไมไปทุกขกับมันให้เหนื่อยไปทำไมทุกขไปก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงของมันมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีนี่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะมาสอนใจคือสอนสัญญาให้วิเคราะห์ร่างกายในรูปแบบใหม่ให้วิเคราะห์ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงดินน้าลมไฟ มันเกิดแก่เจ็บตายมันไม่สวยไม่งามอย่าไปอยากไปมีความสุขกับร่างกายที่มันไม่สวยไม่งามถูกเขาหลอกด้วยการเสริมสวยเท่านั้นเองพอดูเข้าไปจริงๆถ้าดูเข้าไปใต้ผิวหนังได้ก็จะไม่จก็จะเห็นว่ามันไม่มีความสวยงามเลยมีหนังหุ้มห่อปกปิดส่วนที่ไม่สวยงามไว้เท่านั้นเองแต่มันมาไป ปิดปัญญาไม่ได้ปัญญานี้สามารถมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได้ด้วยการพิจารณาอยู่เรื่อยๆด้วยการไปดูร่างส่วนร่างกายที่ไม่สวยเช่นไปดูซากศพดูเวลาที่เขาชำแหละศพยากแย่ศพออกมาดูอาการต่างๆแล้วก็เอามาสอนสัญญาว่าให้ดูแบบนี้ให้จําแบบนี้เวลาเห็นร่างกายก็ให้เห็นแบบนี้ ถ้าเห็นแบบนี้มันก็จะไม่เกิดตัณหาขึ้นมามันก็จะไม่เกิดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาเมื่อมันไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่มันก็จะไม่มีความทุกข์มันก็จะอยู่กับร่างกายนี้ได้อย่างสบายมึงอยู่ได้ก็อยู่ไปมึงอยู่ไม่ได้ก็ไปก็มีเท่านั้นห้ามมันก็ไม่ได้เวลามันจะไปห้ามมันก็ไม่ได้ แต่ห้ามใจไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่าได้ถ้ามีสัญญาที่เห็นความจริงเห็นความเป็นจริงมีสัมมาทิฏฐินี่เห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันจะแก่ก็เรื่องของมันมันจะเจ็บก็เรื่องของมันมันจะตายก็เรื่องของมันเราช่วยมันได้ก็ช่วยมันไปพามันไปหาหมอได้ก็พามันไปพาไปกินยาได้ก็กินไป รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปเท่านั้นเองแต่ใจของเราจะไม่มีวันทุกข์กรรมิตต่อไปถ้าเรามีมีสัมมาทิฏฐิถ้าเราสอนสัญญาให้วิเคราะห์เรื่องของร่างกายเป็นตามความเป็นจริงของร่างกายอย่าไปวิเคราะห์ว่าเป็นตัวเราของเราหรือเป็นตัวของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยา ร่างกายนี้ไม่เป็นสมบัติของไข่ทั้งนั้นร่างกายนี้เป็นสมบัติของดินน้ำลมไฟยืมมาจากดินน้ำลมไฟก็ต้องคืนคืนไปสู่ดินน้ำลมไฟในที่สุดถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางร่างกายแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์กับร่างกายไปจนวันสุดท้ายของร่างกายนี่คือใจของพระพุทธเจ้า และของพระอาหลานตาสาวกทั้งหลายท่านให้ความสำคัญต่อการศึกษาขันห้านี้ศึกษาว่าอะไรเป็นอะไรอะไรบกพ้องก็มาแก้ไขส่วนที่บกพร่องก็คือสัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารความคิดปรุงแต่งสัญญาคือจำผิดก็เลยทำให้เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาขึ้นมา ก็เลยทําให้สังขารปรุงไปทางความอยากถ้าสุขเวทนาก็อยากจะเก็บเอาไว้นานๆถ้าทุกขเวทนาก็อยากจะให้มันหายไปทันทีทันใดแต่มันไปสั่งเราไปสั่งมันได้หรือเปล่ารูปที่เราเห็นเช่นนั่งกายที่เราเห็นนี้สั่งให้มันหายไปได้ไหมถ้าเราไม่ต้องการมันสั่งให้มันอยู่ได้ไหมถ้ามันจะไปนี่แหละแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่ามัน เป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้เราก็จะได้เลิกสั่งมันอยู่กับมันไปมันทุกข์ก็ต้องอยู่กับมันมันมันแก่ก็ต้องอยู่กับมันไปมันเจ็บก็ต้องอยู่กับมันไปมันตายก็ปล่อยมันไปถ้าเราอยู่กับความเป็นจริงใจของสังขารก็จะไม่ปรุงแต่งไปในทางความอยากเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์การปฏิบัติทั้งหมดนี้เราไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ไม่ได้มาเปลี่ยนร่างกายไม่ได้เปลี่ยนอะไรนอกจากเปลี่ยนตัวสัญญากับสังขาร น, นี้เท่านั้นให้สัญญามองตามความเป็นจริงตอนนี้สัญญามองผิดเหมือนกับคนโบราณที่มองว่าโลกนี้แบน mm. ก็เลยไม่กล้านั่งเรือออกไปไกล ๆ, ๆกลัวจะตกขอบทะเลไปเหมือนกับเหมือนกับอยู่บนโต๊ะถ้าวิ่งถ้าไปนั่งอยู่ขอบถ้าเดินออกไปขอบโต๊ะเดี๋ยวก็จะตกลงโต๊ะลงไป แต่ความจริงมันไม่มีวันตกเพราะมันมันกลมนั่งเรือไปจนสุดฟ้าสุดขอบฟ้ามันก็มันก็จะไม่ตกออกไปจากโลกนี้จันใดถ้าเรามาศึกษาความจริงของร่างกายความจริงของนา ม, มันขันเราก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องของชีวิตของเราอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องของความเจริญของความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเพราะเราจะไม่ไปยึดปตดิไม่ไปอยากกับเขาเพราะเรารู้ว่าเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราสอนใจให้ระ ง, งับความอยากได้ใจจะมีความสุขมากกว่าการที่มีอะไรต่างๆ เวลาใจไม่มีความอยากนี้ใจจะสงบแล้วเวลาใจสงบนี้จะเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมาให้กับใจเช่นไปหาลาบยศสรรเสริญเช่นเวลาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดีอกดีใจกันแต่เวลาพบกับความสงบนี่มันต่างกันคนละโลก ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะความถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันก็จะคอเขาไปด้วยความวิตกกังวลได้มาแล้วก็ต้องกังวลเกี่ยวกับการดูแลรักษาแล้วก็กังวลว่ามันจะสูญไปหายไปเมื่อไหรอันนี้ความสุขที่เกิดจากความสงบจะไม่มีความกังวลไม่มีความทุกข์ตามมา จะเป็นความสุขล้วนๆมีความสุขที่เต็มด้วยความอิ่มด้วยความพอไม่มีความอยากได้อะไรไม่มีความอยากมีอะไรเพราะได้กำจัดความอยากด้วยการที่ไปแก้ที่สัญญาคือแก้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอสัญญาบอกอย่างนี้สังขารก็จะไม่ผลิตไปในทางความอยาก เพราะมันใครอยากจะได้ความทุกข์บ้างถ้ารู้ว่าถ้าได้ภรรยาได้สามีแล้วต้องมาทุกนี้มีใครอยากจะแต่งงานกันบ้างทุกคนเวลาแต่งงานก็คิดว่าจะมีความสุขกันแต่พอแต่นก็ไปแล้วเป็นยังไงดีไม่ดีมอกข้าวไม่ทันดาก็หย่ากันเสร็จแล้วหย่ากันนี่ก็หมายความว่าไงหมายความว่าสุขหรือทุกข์มันทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นตามตาอยู่มันก็ยังไม่มองกัน ก็ยังอยากจะแต่งงานกันยังอยากมีคู่ครองกันอยู่นะเพราะตันหาความอยากนี้มันมีอํานาจมากมันทําให้ตาบอดอย่างที่มีคําพูดว่าความรักทําให้คนตาบอดความรักก็คือความอยากนี่เองตันหานี่แหละคือความรักของมนุษย์แเราเพอเกิดตันหาความอยากแล้วเห็นอะไรนี่ดีไปหมดเลยส่วนที่ไม่ดีนี่มองไม่เห็นเลยแต่พอความรักนั้น เบาบางลงไปเรือยความอยากนั้นอ่อนไปปั๊บนีส่วนที่ไม่ดีนี่เห็นเต็มไปหมดเลยเหมือนน้าลดเวลาน้ำลดนี่เห็นตอเต็มไปหมดแต่เวลาน้ำเต็มนี่มองไม่เห็นต่อสักต้นหนึ่งฉันใดเวลาเกิดตัณหาขึ้นมานี้จะมองไม่เห็นความทุกข์เลยจะเห็นทุกอย่างที่อยากว่านี้เป็นดีไปหมดสุขไปหมดแต่พอได้มาแล้วมอนถึงจะเห็นเพราะ ตอนพอได้มาแล้วความอยากมันก็จะหายไปนั่นเองพอความอยากหายไปมันก็จะเริ่มเห็นความจริงแล้วความอยากทำให้คนตาบอดพอความอยากหายไปตาก็หายบอดพอหายบอดก็เห็นความจริงแทนที่เย็นสุขมันก็เห็นทุกข์แต่มันก็ไม่เข็ดหลัะพอพออยากกันเลอกกันนล้เดี๋ยวมันก็ไปหาใหม่พอเกิดความอยากขึ้นมาอีกมันก็ตาบอดขึ้นมาอีกลืมความทุกข์เก่าที่เคยได้รับมา นี่คือปัญหาถ้าเราอยากจะไม่ลืมเราต้องคิดอยู่เรื่อยๆต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราแต่เราจะไม่สามารถคิดอยู่ได้เรื่อยๆถ้าเราไม่ทาใจให้สงบก่อนถ้าใจไม่มีสมาธินี้จเจริญปัญญาไม่ได้จเจริญก็ไม่ใช่เป็นปัญญาเป็นสัญญาก็คือรู้เพียงชั่วคราวรู้เดียวๆจบได้เดียวๆพอไปเจอของจริงเขาก็ลืมไปหมด พอไปเห็นสิ่งที่ชอบขึ้นมาก็อยากขึ้นมาใหม่ลืมไปว่ามันเป็นทุกข์ลืมไปว่ามันเป็นอนิจจังลืมว่ามันเป็นอนัตตาไปแต่ถ้ามีสมาธิใจสงบแล้วี้ใจจะมีกำลังพิจารณาความจริงได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกจะทำให้ไม่หลงไม่ลืมพอเห็นอะไรชอบขึ้นมานี้มันจะมีปัญญาขึ้นมาแก้ทันทีว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ของเรานะ เวลามันจากกันนี่มันทุกข์นะแล้วเวลามันเปลี่ยนไปนี่มันทุกข์นะพอมันคิดอย่างนี้เท่านะั้นมันก็เลยหยุดความอยากได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะเจริญปัญญาให้เป็นปัญญาอย่างแท้จริงนี้เราต้องทำใจให้สงบก่อนใจต้องมีฐานฐานของใจก็คือความสงบเหมือนกับคนที่จะไปทำงานก่อนจะออกไปทำงานนี้ต้องกินข้าวพักผ่อนหลับนอนให้มีกำลังก่อน ถ้าไม่ได้พักผ่อนหลับนอนเลยไม่ได้กินข้าเลยให้ไปทํางานมันทํางานไม่ได้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกรจิกกระใจที่จะทำํำมันจะคิดแต่หาหาอาหารหาที่พักผ่อนหลับนอนดังนั้นถ้าเราอยากจะเจริญปัญญาอยากจะศึกษาความเป็นจริงของชีวิตของเราเพื่อให้เราจะได้ไม่เป็นหลงยึดติดกับมันว่ามันเป็นตัวเราของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเราต้องมาเจริญสมาธิ ก่อนวิธีจะเจริญสมาธิก็ต้องเจริญสติก่อนเพราะใจจะสงบได้นี้ต้องมีเครื่องผูกมัดใจเครื่องผูกมัดใจนี้เราเรียกว่าสติสตินี้ก็มีอยู่หลากหลายแบบด้วยกันที่เราเรียกว่ากรรมฐาน40บนี้ก็คือวิธีจะิญสี่สเจริญสติ40วิธีด้วยกันพุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ธรรมานุสติก็คือการระลึกถึงพระธรรมคําสอนสังขานุสติก็คือการระลึกถึงพระอริยสงสาวกอย่างที่เราสวดนมนต์กันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอรหังส ม, มานี่ก็เป็นพุทธานุสติสวาขาโตปัจะวตตาธรรมโอก็เป็นธรรมานุสติสุปฏิปันโนก็เป็นสังขานุสติถ้าเราเจริญสติอยู่กับบท สวดมน์เหล่านี้หรือจะเอาแบบง่ายๆแบบย่อยๆก็คือพุทโธธัมโมสังโฆไปให้เราเจริญอย่างนี้อยู่ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับยืนเดินนั่งนอนให้เจริญอยู่ได้เรื่อยใจก็จะไม่สามารถลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้พอใจไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบแล้วก็จะมีความสุขมีความอิ่ม มีกำลังที่จะไปเจริญปัญญาได้มีกำลังที่จะไปพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ไปพิจารณาว่าสัญญานี้เป็นตัวที่เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ไม่มีว่ามีเห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเห็นความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เพราะเวลาเกิดความอยากมันจะเห็นทันทีว่าเป็นทุกข์พออยากจะได้แฟนปั๊บมาบอกเป็นทุกข์ทันทีอยู่กันเดี๋ยวเดียวออกกนนะเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องปวดหัวกันนะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่มีแฟนไม่มีลูกไม่มีอะไรทั้งนั้นก็จะไปบวชได้อยู่แบบเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอรหันต์ได้ เพราะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการอยู่แบบไม่มีอะไรเพราะมีอะไรมันก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีนั่นแหละทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรก็เราทุกข์กับสิ่งที่มีถ้ามีภรรยามีสามีก็ทุกข์กับภรรยาทุกข์กับสามีคนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาเขาก็ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องของสามีเรื่องของภรรยาพระพุทธเจ้าพระหลานนี้ท่านไม่มีอะไรท่านก็เลยไม่ทุกข์กับอะไรไม่มีลาบยศสารเสริญ ไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ร่างกายถึงแม้จะมีท่านก็ไม่ยึดไม่ติดไม่หลงไม่ไปพึ่งมันว่าจะให้ความสุขกับท่านท่านเห็นว่ามันเป็นความทุกข์แต่เมื่อยังต้องอยู่ด้วยกันก็อยู่กันแบบเกินไม่เข้าข่ายไม่ออกอยู่กันไปแต่ไม่ยึดไม่ติดพร้อมที่จะให้มันไป มันอยากจะไปเมื่อไหร่ก็ให้มันไปเมื่อมันยังไม่พร้อมจะไปมันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ไปใจต้องไม่อยากเพราะถ้าเกิดความอยากขึ้นมามันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีอยากให้มันตายในขณะที่มันยังไม่ตายก็ทุกข์อยากให้มันอยู่ในขณะที่มันจะตายก็ทุกข์อีกเหมือนกันต้องไม่มีความอยากต้องอยู่กับความจริงไปให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราอย่าไปยึดไปติดมันอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเท่านั้นก็พอ นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมเพื่อตัดความทุกข์ต่างๆด้วยการตัดความอยากด้วยการไปแก้สัญญาความจำได้หมายรู้ที่จำผิดไปจำสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปจำสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปจำสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเราไปจำสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามมันก็เลยทําให้เกิด สังขารความคิดปรุงแต่งไปในทางกามติหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดการเวียนว่ายตายเกิดตาย ม, มาถ้าเราหยุดสัญญาได้เปลี่ยนสัญญาได้หยุดสังขารได้หยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไปนี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตัสสาวกทั้งหลาย ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติมาแล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราศึกษาและปฏิบัติตามได้เราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอ า, หารหนต์สสาวกทั้งหลายได้รับกันก็คือจะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของพวกเราอีกต่อไปและเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจึงขอให้ท่าน ให้ความสำคัญต่อการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนดังที่ได้แสดงมาในวันนี้เพื่อที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ท้าวอและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสักะรังเอวเมวอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติอิชิต e ังปะทิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ อะรโสยทาสพิตโยวิวาชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนศีริสานิจังวุธาปจายโนจตารโอธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง ลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้หรือจะเขียนข้อความมาก็ได้ถ้าไม่อยากจะขึ้นมาถามเองตอนนี้มีคนฝากข้อความขึ้นมาแล้วใช่ไหมถามได้เลย ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกจากมีผู้ฝากถามมีคำกล่าวว่าอย่าไปแยแสกับกิเลสมีผู้ปฏิบัติตามโดยเข้าใจว่าเมื่อมีความโกรธขึ้นรู้ไม่ทันปล่อยให้อารมณ์เกิดแล้วจึงรู้ตัวแต่ไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เฝ้าระวังจิตของตัวเองไม่ให้มีความโกรธเกิดขึ้นอีก การทำเช่นนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะตรงกับคำว่าอย่าไปแยแสกับกิเลสหรือไม่คะคือทำยังไงก็ได้ขอให้มันเกิดไม่ให้เกิดกิเลสขึ้นมาก็แล้วกันจะแยแสไม่แยแสก็ไม่สาคัญขออย่าให้มันโลภโกรธหลงก็แล้วกันคำถามข้อต่อไปจากมีผู้ฝากถามคำว่าเบียดเบียนผู้อื่นยกตัวอย่างเช่น แม่ขอเงินลูกใช้เอาไปใช้จ่ายฟุ้งเฟอ้อใช้เกินตัวจนลูกไม่มีใช้เพื่อปัดใจขอส่วนตัวเพื่อเมื่อถือเป็นการเบียดเบียนหรือไม่คะถ้าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าเบียดเบียนได้เหมือนกันแต่ทีนี้ผู้ถูกเบียดเบียนก็อาจจะต้องคิดดูว่าบางทีมันไม่ได้เป็นการเบียดเบียนมันเป็นการมาทวงหนี้ก็ได้ แล้วติดหนี้เขาไว้ก็มาทวงหนี้เราเวลาเราขอเขาเขาให้เราพอเวลาเขามาขอเราเรากลับไม่ห้า ใ, ให้เขาแล้วไปว่าเขาเบียดเบียนนี้มันก็ไม่ถูกไนงะแล้วถ้าลูกมีเงินทองมากมายแล้วแม่ก็ยังขอฟึ้นเฟืออยู่ะค่ะเขาถามต่อว่าก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนหรือไม่คือการที่จะให้เงินทองใครมันก็ต้องดูความเหมาะสมดูเหตุดูผลว่าเกิดคุณเกิดประโยชน์และเกิดโทษ ถ้าเอาเงินไปใช้แบบฟุ้งเฟ้อนี่มันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์มันเกิดโทษก็ไม่ให้ได้แต่ถ้าเอาไปแล้วเกิดคุณประโยชน์เช่นไปดูแลรักษาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอรักษาให้หายได้อย่างนี้จะต้องเสียเท่าไหร่ก็ต้องยินดีเสียคําถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งถ้านั่งสมาธิแล้วเจอกายกับจิตแยกกันร่างกายหายไป เห็นแต่ตัวรู้แล้วตกใจถ้านั่งได้แบบนี้อีกจะมีสิทธิ์ไปในทางที่ผิดแล้วจะเกิดเป็นบ้าไหมคะเพราะเคยได้ยินว่าบางคนนั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าค่ะออถ้านั่งแล้วจิตสงบสักตวรรุนี้รับรองได้ว่าไม่บ้าที่บ้ามันออกมาทีหลังออกมาแล้วก็ไปคิดว่าตนเองเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นแหละถึงจะเรียกว่าบ้า แต่ถ้าคิดว่าเป็นเพียงแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้เฉยๆนี่ไม่บ้าข้อที่สองได้เคยคุยกับคนที่นั่งสมาธิแล้วเขาบอกว่าหากถึงจุดที่มีอาการหูอื้อหรือเราจะเดินเข้าไปในป่าลึกมันจะทำให้เข้าไปอยู่ในอารูปฌานจะทำให้ดึงพลังจิตของเราออกไปหมดจะส่งผลร้ายใช่ไหมคะ กลัวหากว่านั่งสมาธิปไปถึงจะทำให้เกิดอะไรที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เพราะต้องการพ้นทุกข์ดับกิเลสมีวิธีนั่งอย่างไรถ้าเจอเพียงตัวรู้อีกแล้วเกิดตกใจอีกถ้าเราเกิดความกลัวมีคนบอกว่าให้ประคองตัวรู้ไปแล้วจะเกิดความสุขถูกไหมคะ ถ้าเราประคองตัวรู้ได้ด้วยสติสักแต่ว่ารู้ไปก็จะไม่เป็นโทษแต่อย่างใดแต่ถ้าเราไปคิดปรุงแต่งว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่มันก็อาจจะเกิดโทษขึ้นมาได้ถ้าเราละงับความคิดปรุงแต่งไม่ว่าเราจะพบอะไรเห็นอะไรให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆมันก็จะไม่มีไม่มีโทษตามมาหรือถ้าจะคิดปรุงแต่งก็ให้คิดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะปล่อยวางได้แล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไร ขอให้เรารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธินี้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมานี้มันทำลายใจของเราไม่ได้มันทำทลายตัวรู้ผู้รู้นี้ไม่ได้เหมือนกับภาพที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์นี้มันจะเป็นภาพรุนแรงขนาดไหนก็ตามมีการยิงการมีการถล่มกันด้วยลูกระเบิด RPG อะไรก็ว่าไปแต่จอนี้ไม่มีวันแตก ทันใดเวลานั่งสมาธิเราเห็นภาพอะไรต่างๆขึ้นมาจะร้ายแรงขนาดไหนหวาดเสียวขนาดไหนหน่ากลัวขนาดไหนมันก็จะไม่สามารถทำลายผู้รู้ได้สิ่งที่จะทำลายผู้รู้ด้วยก็คือความกลัวความหลงนี้เองไปตกใจกลัวคือคำว่ากลวงเงาเข้าใจไหสิ่งที่เราเห็นนี่มันเหมือนเงาภาพยนตร์นี่ก็คือดูภาพยนตร์นี่ก็ดูเงาดีๆนี่เอง มันไม่มีสาระไม่มีตัวตนไม่มีความจริงอยู่เลยมันไม่สามารถกระโดดออกมาจากนอกจ อ, อกมากัดเรามากินเราได้ฉันในสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้ใจรับรู้ใน ข, นขณะที่นั่งสมาธินี้ก็จะไม่สามารถที่มาทำลายจิตทำลายใจได้ขอให้ใจสักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วก็อยากไปอยากให้มันหายไปในขณะที่มันปรากฏขึ้นมา เมื่อมันหายไปแล้วก็อยากจะให้มันกลับมาอย่าไปให้ให้เกิดความอยากแล้วมันจะเป็นโทษมันจะทำให้ใจเราทุกทุกเพราะความอยากไม่ใช่ทุกเพราะภาพที่เราเห็นคำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามอุปจารสมาธิต่างจากอัปปนาสมาธิอย่างไรต้องถึงสมาธิขั้นไหนถึงจะเอามาพิจารณาเป็นปัญญาได้คะ คือปกติท่านให้เข้าสู่อั ป, ปนาก่อนให้จิตสงบให้มีพลังก่อนแล้วพอถอนออกมานี่จะอยู่ในระดับอุ ป, อปจาระหรือจะอยู่ในระดับปกติจิตก็สามารถพิจารณาได้เช่นออกมาแล้วก็มาเดินจงกรมเราก็สามารถเดินพิจารณาอาการสาสิบสองเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายได้การพิจารณานี้เป้าหมายอยู่ที่ให้จให้จำให้ฝังอยู่ในใจ พวกเรารู้กันทุกคนว่าพวกเรามีอาการ32มีเกิดแก่เจ็บตายแต่มันไม่จดไม่จำกันพอไปเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ดินกันพร่านไปหมดเพราะว่าไม่มีปัญญาความรู้ที่ได้พิจารณานี้มันหายไปมันเป็นสัญญาสัญญาก็คือความจำความจำนี้บางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้พอจำไม่ได้มันก็เลยไม่เป็นประโยชน์อะไร เราต้องพิจารณาจนมันจําได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเช่นพระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ให้พิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกนให้มันมีความรู้ว่าเราต้องตายทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเรารู้อย่างนี้กิเลสจะไม่มีช่องมาหลอกให้เราไปโลภไปอยากไปได้อะไรเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วคาถามต่อไปจากคุณ ว, วัชรวัต์ จากธรรมว่าด้วยองคุณหรือเครื่องบรรลุโสดาบันมีข้อหนึ่งกล่าวว่าให้เสวนาสัตตบุุษคบหาผู้ทรงธรรมทรงปัญญาเป็นกัลยาณมิตรผมสำรวจรอบตัวไม่มีมิตรที่เป็นกัลยาณมิตรเลยหลังจากที่ผมปฏิบัติธรรมก็ห่างจากมิตรที่ชวนเที่ยวกลางคืนพยายามละอายามุก คำถามข้อที่นหนึ่งถ้าผมจะถือการฟังพระสัตย์จะทำจากพระอริยสงฆ์ว่าเป็นกัลยาณมิตรโดยที่พระอริยสงฆ์นั้นก็ไม่รู้จักกระผมเป็นการส่วนตัวถือว่าจะเข้ากับธรรมเครื่องบรรลุโสดาบันข้อคบท่านผู้ทรงธรรมทรงปัญญาเป็นกัลยาณมิตรได้หรือไม่ก็ได้แต่ท่านได้เจอตัวจริงเสียงจริงมันก็ยิ่งดีใหญ่ แต่บางทีเรามักจะกลัวตัวจริงเสียงจริงกันอย่างหลวงตาเนี่ยตัวจริงเสียงจริงพไม่กล้าเข้าใกล้กันก็เลยได้ไม่ไม่ได้เต็มร้อยถ้าได้ไปอยู่กับท่านได้ยินได้ฟังได้ศึกษากับท่านโดยตรงนี่มันจะได้เต็มร้อยแต่ถ้าฟังแต่เทปที่ท่านที่อัดไว้นี่มันเพียงอาจจะได้เพียงหนะ้าสิบเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณเสาวนี ขณะนั่งภาวนาร่างกายเกิดอาการอึดอัดหายใจไม่ทั่วท้องจึงนำอาการขึ้นพิจารณาภาวนาพุทธโธตามลมหายใจคิดว่าถ้าจะตายก็ขอให้ตายตามลมไปกับพุทธโธจิตสงบนิ่งรู้อยู่ภายในแต่ไม่ดิ่งลงสบายเหมือนนั่งอยู่ในสุญญากาศ เป็นอย่างนี้เป็นครั้งที่สองแล้วแค่สงบสบายสังเกตว่าทั้งสองครั้งต้องพิจารณาความตายก่อนจึงจะสงบอย่างนี้แสดงว่านิส <in> ัยผมชอบพิจารณาตายก่อนใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องสติยังอ่อนอยู่จิตจึงยังไม่ดิ่งลงครับก็พยายามพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งในขณะที่นั่งสมาธิและในขณะที่ไม่ได้นั่งสมาธิ ไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเราพิจารณาความตายได้ก็ควรจะพิจารณาไปถ้ามันถูกเจริตกับเราเพราะมันจะทำให้ใจของเรานิ่งทำให้ใจของเราเย็นและจะมีสติมีกำลังมากขึ้นแล้วต่อมาเวลาเรามานั่งสมาธิก็อาจจะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่เลยคาถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งคนโสดจะฝึกทาการบ้านบทไหนอย่างไร เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์กรณีเกิดเจ็บป่วยพิการแล้วไม่มีใครดูแลก็ไม่ใช่นาว่าไม่มีใครดูแลก็ตายดูแลก็ตายเหมือนกันอย่างนไม่ต้องไปกังวลถึงเวลามันตายไปถ้ายังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวก็มีสวรรค์มีเทวดามีคุณงามความดีที่เราเคยทำไวมาอุปถัมภ์ค้ำชูวเองถ้าไม่มีก็ช่วยไม่ได้ เราปล่อยให้มันเป็นสัพเพธ ร, รมนต์ตาไปเป็นกรรมของสัตว์ไปไม่ต้องไปวิตกให้มันเสียเวลาข้อที่สองในสมัยอดีตไข่ไก่เมื่อฟักออกมาจะมีเชื้อซึ่งสามารถเพาะเป็นลูกไก่ได้จึงห้ามนำมาทำอาหารถวายพระเพราะจะถือว่าบาปแต่ปัจจุบันนี้ไข่ที่ซื้อในท้องตลาดมาจากฟาร์มเลี้ยงซึ่งผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้ว ดังนั้นหากต้มหรือทอดไข่ดาวแบบอย่างมาตูมถวายพระพระจะฉันได้หรือไม่คะก็ตามธรรมเนียมเดิมท่านก็นยังถือว่ามันสุกดิบอยู่มัไม่แย่ว่ามันเป็นหรือไม่เป็นที่สิ่งที่เป็นเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่หรือไขน่นี้ท่านบอกว่าถ้ายังสุกดิบอยู่นี่ไม่ควรจะรับประทานเพราะอาจจะมีเหตุผลว่ายังมีเชื้อโรคอยู่ก็ได้แล้วรับประทานพวก เนื้อสัตว์แบบสุกสุดิบๆบนี้มันอาจจะทําให้ท้องเสียหรือเป็นตับเป็นมะเร็งอะไรต่างๆขึ้นมาได้ก็เลยเป็นกฎเกี่ยวกับสุขครับสุขลักษณะมากกว่าที่ห้ามพระแม่ฉันของดิบสุกสุดิบดบก็เพื่อที่จะรักษาสุขภาพของพระไว้นั่นเองยันถ้าญาติโยมอยากจะถวายของที่เป็นเนื้อสัตว์ต้องให้มันสุกเต็มที่เช่นเนื้อย่างเนื้อทอดนี้ก็ต้องไม่มีเลือดซิบซิปอยู่เลยให้มันแห้ง ไข่ดาวก็ต้องแห้งไปหมดเลยถึงจะถวายพระได้อย่างโจกใส่ไข่ยิ่งก็ไม่ควรก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นั้นจะเดือดร้อนตรงไหนคำถามต่อไปจากคุณกะหนกพรภัยสารอวัเสนีข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่าแบกของหนักพาไป ร่างกายก็เป็นของหนักนรกสวรรค์พรหมก็เป็นของหนักดิฉันเข้าใจว่าของหนักนี้ก็คือทุกข์ใช่ไหมคะดิฉันยังไม่ค่อยเข้าใจอยากให้พระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมค่ะคืออะไรที่ทําให้เราหนักอกหนักใจนี่แหละก็คือของหนักของอันเดียวกันนี้บางทีก็หนักบางทีก็ไม่หนักหนักเพราะว่าเราไปแบกถ้าเราไม่ไปแบกมันก็ไม่หนักอย่างรถยนต์นี่จอดไว้มันไม่หนักหรอก แต่ถ้าจะไปยกมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปแบกมันก็แล้วกันแล้วมันก็จะไม่หนักข้อที่สองมนุษย์ตายแล้วไม่สูญเพราะถ้าตายแล้วสูญจะเอาจิตที่ไหนมาเกิดเป็นคนกุ้งสุนั ก, กไก่ปลาหอยเทวดา ส่วนกายเกิดมาก็ต้องอาศัยกายเก่าๆหรือที่มีอยู่แล้วบนโลกเช่าซากกุ้งซากหมูซากปลาซากผักกวางตุ้งซากผักชีที่มันมีอยู่แล้วบนโลกมาเป็นกายของเราเพราะฉะนั้นทั้งกายและจิตหลังจากตายแล้วไม่สูญดิฉันเข้าใจถูกต้องหรือไม่คะ และอยากให้พระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าสัตว์ตายแล้วไม่สูญเพราะอะไรเพราะดิฉันยังเข้าใจไม่ชัดเจนค่ะคือ ส, ส่วนที่ส่วนที่สูญก็มีคือส่วนที่ดับก็มีแล้วส่วนที่ไม่ดับก็มีส่วนที่ดับก็คือร่างกายส่วนที่ไม่ดับก็คือใจใจไม่ได้ดับไปกับร่างกายแต่ใจที่มีความอยากก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ ร่างกายอันใหม่ก็ได้จากร่างกายอันเก่าเนี่ยมันรีไซเคิลกันคนตายไปแล้วกลายเป็นดินพอดินเข้าไปปลูกต้นไม้ปลูกข้าวขึวข้นมาก็กลายเป็นข้าวแล้วก็เอาข้าวนี้มากินใหม่เนี่ยมันก็โลกนี้เราก็อยู่สําหรับส่วนของร่างกายนี้มันเป็นเรื่องของรีไซเคิลของธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเข้าเข้าออกออกอย่างสมัยก่อนเมืองจีนนี่ก็เวลาถ่ายเขาก็ไปถ่ายที่ข้างนอกใส่เสร็จเขาก็ไปใส่ ใส่ใส่ผักใส่อะไรพอกลายเป็นผักขึ้นมาก็ามากินใหม่มันก็วนไปเวียนมาอย่างนี้ใจก็ใจก็มาเปลี่ยนร่างกายใหม่นั่นเองใจก็เป็นคนเก่าคนเดิมคำถามต่อไปจากคุณโยธาคนที่เคยฆ่าทำร้ายชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจนถึงแก่ความตายแล้วถ้าผู้นั้นมาปฏิบัติ ทำสมาธิจเจริญกรรมฐานถ้าบุคคลนั้นตายไปตกนรกใหม่ครับถ้าต้องตกนรกตอนที่มีชีวิตอยู่ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่ต้องตกนรกครับถ้าปฏิบัติได้เพียงแต่ขั้นสมาธินี้ก็ยังมีโอกาสที่ไปตกนรกได้ขึ้นอยู่กับว่าเวลาตายนี้กําลังของบุญกับของบาปนี้ใครจะมากกว่ากัน ถ้ากำลงกลังของบุญมากกว่าเช่นกำลังของสมาธิมากกว่าบาปที่ได้ทําไว้บาปก็ยังไม่ต้องไม่ต้องไม่แสดงผลให้ให้บุญของสมาธินี้แสดงผลก่อนก็เกิดได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมและพอบุญของสวรรค์ชั้นพรมนี้เสื่อมลงมาก็จะลงมาที่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะลงมาสู่ชั้นมนุษย์แล้วก็มาทาบุญทาบาปใหม่ต่อ แล้วเวลาตายไปถ้าเกิดบาปมีกำลังมากกว่าตอนนั้นนะบาปถึงจะมีโอกาสได้ส่งผลต่อไปถ้าอยากจะไม่ต้องไปไปใช้บาปในอบายก็ต้องปฏิบัติธรรมที่สูงกว่าขั้นเขาสมาธิคือต้องขั้นพระอริยคือต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาจนสามารถปล่อยวาง ร่างกายได้ปล่อยวางขันห้าได้ละขันห้าได้ไม่ไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากถ้าจะไม่ทุกข์ก็ต้องละความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าถึงเวลาต้องตายเพราะ ผลกรรมที่ตนเองได้ทําไว้ก็ยินดีรับผลนั้นไม่ไม่วิ่งหนีถ้าไม่หนีก็ไม่ต้องไปอบายถ้าวิ่งหนีก็อาจจะต้องก็ต้องไปอบายเพราะยังสอบไม่ผ่านคําถามต่อไปจากคุณกุณลวีเวลานั่งสมาธิตั้งแต่พยายามนั่งหลังตรงไม่ค่อยเข้าผวังเลยค่ะเพราะพอรู้สึกย่อลงก็ยืดหลังอีก ไม่ทราบว่าควรปล่อยหลังไปหรือเปล่ามันจะตรงหรืองอก็ช่างมันบางท่านบอกว่าการนั่งตัวงอหลังยอ่อเพราะตัววิริยะเริ่มหมดลองสังเกตได้คำบริกรรมเบาลงต้องเพิ่มวิริยะรบกวนขอคำแนะนำเพื่อเพิ่มความกระจ่างด้วยค่ะเวลานั่งภาวนานี้พอเราเริ่มภาวนาแล้วเราอย่าไปกังวลกับเรื่องของร่างกาย ถ้าเราจะกังวลก็กังวลตอนก่อนที่เราจะนั่งเวลาก่อนที่เราจะภาวนานี้เราตั้งท่าให้ดีตั้งตัวให้ตรงเมื่อเรารู้ว่าเราตั้งตัวได้ตรงแล้วพอเราเริ่มภาวนาเราก็อย่าไปสนใจกับเรื่องของร่างกายเพราะจะทำให้เราเสียสมาธิเสียภาวนานั่งไปแล้วจะไม่ได้เกิดผลร่างกายจะงอบ้างไม่งอบ้างเอ็บ้างไม่เอ็งบ้างนี่เป็ น, ปนธรรมดา ถ้าเราไม่ไปสนใจมันมันจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดถ้าเราไปสนใจมันจะเป็นปัญหาเพราะว่าจะทำให้ใจของเราเสียสติเสียสมาธิไม่สามารถที่จะภาวนาเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาได้ถ้าเราอยากจะได้ผลนี้พอเรานั่งแล้วพอเกิดความรู้สึกว่าร่างกายงอ ก, ก็อย่าไปสนใจอย่าไปตั้งให้มันตรงปล่อยมันงอไปถ้ารู้สึกว่ามันเอียงไปทางซ้ายก็ไม่ต้องปรับมันมา ถ้ามันเอ็ไปทางขวาก็อย่าไปปรับมันมาปล่อยมันไปตามเรื่องของมันถ้าเราไม่ไปสนใจแล้วมันจะไม่เป็นปัญหาถ้าเราไปปรับเดี๋ยวมันก็ปรับไปปรับมามาทางซ้ายก็ดึงมาทางขวาเดี๋ยวก็ว่ามากเกินไปก็กลับไปทางซ้ายอีกมันก็เลยไม่ได้ภาวนาพอไม่ได้ภาวนาก็เหมือนนั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยมันก็ไม่มีผลปรากฏขึ้นมาเห็นเวลาเรานั่งแล้วเราตั้งร่างกายให้ตรงแล้วแล้วเราเร า, เราเริ่มภาวนาแล้วให้อยู่กับงานภาวนาเพียงอย่างเดียว ถ้อยู่กับพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวถึงแม้จะรู้สึกว่าร่างกายงอหรือไม่งอเอ็นไปทางไหนก็อย่าไปสนใจเหมือนขอให้อยู่กับพุโทโธให้เพียรพยายามจะจะเล่ลนพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าให้พุโทโธหายไปก็แล้วกันแล้วต่อไปผลก็จะปรากฏขึ้นมาเองคําถามต่อไปจากคุณอุรัสยาข้อที่หนึ่ง พอนั่งสมาธิไปจนเริ่มมีความปวดเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ความปวดพิจารณาดูบางครั้งจะรู้สึกว่ามันไม่มีตำแหน่งที่ปวดเช่นเรื่มปวดที่ขาแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่มีรูปขามันเป็นว่างๆโล่งๆแต่ยังรู้สึกได้ว่ามีอาการปวดอยู่บางครั้งก็หงุดหงิดลำคาญกับอาการปวด คือจะปวดมากก็ไม่ปวด จ, จะหายปวดก็ไม่หายเลยไม่ทราบว่าจะต้องกำหนดหรือพิจารณาอย่างไรต่อไปดีคะก็ต้องพิจารณาปล่อยวางให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปทำอะไรไม่ได้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้พอฝนตกขึ้นมาเราก็อย่าไปวุ่นวายกับฝนอย่าไปอยากให้มันหยุดเพราะเราสั่งให้มันหยุดไม่ได้ ถ้าเราอยากแล้วเราจะเกิดองงาการหงุดหงิดําคาใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเฉยๆรับรู้ไปักแต่ว่ารู้ว่าตอนนี้ฝนตกอเราก็อยู่กับมันไปเราก็จะอยู่กับมันได้ใจก็จะนิ่งใจก็จะเย็นจะสบายแต่ถ้าเราเกิดมีความอยากขึ้นมาเวลาเกิดเวทนาอยากจะให้มันหายไปมันไม่หายก็จะเกิดอาการเครียดขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาจนทนนั่งต่อไปไม่ได้ แต่ถ้าเราระงับความเครียดความอยากได้นี้ใจก็จะอยู่กับมันไปได้จะนั่งอยู่เฉยๆได้ต่อไปและจะรวมเข้าสู่ความสงบลึกเข้าไปอีกด้วยขอให้เราปล่อยวางให้พิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้เขาเป็นอนิจจังเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาจะอยู่ก็ต้องปล่อยเขาอยู่ไปเขาจะหายก็ปล่อยให้เขาหายไปแต่เราอยาาไปอยากให้เขาหายแล้วเราก็จะไม่เครียดเราก็จะอยู่กับเขาได้ ข้อที่สองเวลาอยู่ที่ทำงานถ้าทำงานอยู่หน้าเดียวรู้สึกว่าสงบและเป็นสมาธิดีแต่พอมีอะไรมากระทบมากๆเข้าถูกถามถูกสั่งให้ทำนั่นนี่เยอะๆจะเริ่มหงุดหงิดและอึอดอัดหนักอึ้งอยู่ที่ใจและรู้สึกอยากจะหนีไปจากตรงนั้น แต่พอหนีไปไม่ได้ก็ยิ่งอึดอัดและหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมเหมือนน้ำตาตกอยู่ในใจจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีคะก็เหมือนกับปฏิบัติกับทุกขเวทนา น, น, นะก็อย่าไปอยากอะไรมาก็รับรู้ไว้กันแล้วการทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็วางไว้ก่อนเขาจะชมเขาจะด่าก็าปล่อยเขาชมไปปล่อยเขาด่าไป ถ้าเราไม่มีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรามีความอยากเช่นอยากจะทำงานคนเดียวอยากจะทำตามเรื่องของเราตามใจของเราพอคนนู้นคนนี้มาสั่งให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากให้ก็สั่งเราก็จะเครียดขึ้นมาเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาว่าเราห้ามเขาได้หรือเปล่าเราสั่งให้เขาไม่มาได้หรือเปล่า ถ้าเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขามาเพราะเขาใหญ่กว่าเราก็เป็นเจ้านายเราเราอยากจะได้เงินเดือนของเขาเราก็ต้องทําใจก็ปล่อยเขาสั่งให้เขาว่าไปเราก็ทําตามที่เขาสั่งทําได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าเขาไม่พอใจเขาจะไล่เราออกก็ต้องให้เขาให้เขาไล่ออกไปถ้าเขาพอใจเขาจะขึ้นเงินเดือนก็ปล่อยเขาขึ้นไปมันก็มีท่านนี้ชีวิตมันก็มีขึ้นๆลงๆไป ตามเหตุการณ์ต่างๆอย่าไปยึดไปติดกับมันคิดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วยังไงก็ตายอยู่ดีทําดีขนาดไหนก็ตายทําชั่วขนาดไหนก็ตายแต่อย่าทําชั่วเพราะทําชั่วแล้วมันจะวุ่นวายทั้งขณะที่อยู่และขณะที่ตายทําดีแล้วมันก็จะไม่วุ่นวายมันจะสงบทั้งขณะที่อยู่และขณะที่ตายก็อขอให้ทําความดีไปเท่าที่เราจะทําได้ก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามอัปนาสมาธิในอินเทอร์เน็ตแต่ละอันที่อธิบายไม่เหมือนกันเลยอยากให้พระอาจารย์เมตตาอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้ด้วยค่ะก็ให้หนูทำนะะหนูก็จะเห็นเองสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะต้องไปทำเอาเองพุโทโธไปอย่างเดียวเดี๋ยวก็เห็นเองนี่วิธีวิธีอธิบายทางภาคปฏิบัติท่านจะไม่ค่อยท่านจะไม่อธิบายเรื่องผลเท่าไหร่ เพราะมันอย่างที่เหมือนพูดเน่ะสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นสู้สอนให้เขาเห็นดีกว่าสอนให้เขาพุทโทดีกว่าพุทโทไปแล้วเดี๋ยวก็เห็นเองพอเห็นแล้วก็จะล้างอ๋อเป็นอย่างนี้เองหม <c oughs> ดคำถาม <บด S 2> จากทางบ้านค่ะหลวงพ่ออะไรไงวันนี้มีอะไรไห ม, ม, บบไมทางนี้มีใครอยากจกะถามอีกไหม ให้นั่งคิดสักพักหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเผื่อพอพอปิดไม้ปั๊บคำถามมาเยอะแยะเลยอ้าวคิดว่าคงไม่มีใครถามมานะ <sh arp> แล้วอย่ามาถามนะหลังจากปิดไม้ละ <sh arp> <sh arp> อา้ <sh arp> อาวไม่ไม่ต้ององั้นเดี๋ยวค่อยขอ ป, ปิดเวทีก่อน <sh arp>